พระไตรปิฎกเล่มที่37พระปิธรรมปิฎกเล่มที่สว่าด้วยคาถาวัตถุเสียงอ่านโดยประชุมทองสเสวีพระอภิธรรมปิฎกคาถาวัตถุขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งมหาวัชหนึ่งปุคละคาถาว่าด้วยบุคคล หสุทธสัจจิกัตถะว่าด้วยสภาวะที่แท้จริงล้วนๆหนึ่งอนุโลมปัจจนิกะอนุโลมปัญจกะ 1. นสกวาทีถามว่าท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถะปรมาทิช่ไหมประวาทีตอบว่าใช่สกวาทีสภาวะธรรมใดเป็นสัจจิกัตถะเป็นปรมาทิฏฐะ ท่านยังรู้บุคคลนั้นได้โดยสัจจิกักระปรมัตย์นั้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีท่านจงมรับดิหะดังต่อไปนี้หากท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิักระปรมัตย์ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสภาวธรรมใดเป็นสัจจิักระเป็นปรมัตถะ ข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคล น, นั้นได้โดยสัจจิกัตถปรมัาทนั้นท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัาทแต่ไม่ยอมรับว่าสภาวธรรมใดเป็นสัจจิกัตถะเป็นปรมาทข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลนั้นได้โดยสัจจิกัตถปรมัาทนั้นคำนั้นของท th ่านผิด หหากท่านไม่ยอมรับว่าสภาวธรรมใดเป็นสัจจิกัตถะเป็นปรมัาถะขพเจ้าอย่างรู้บุคคล น, นั้นได้โดยสัจจิกัตถะประมัตถนั้นท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าขพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถะประมัตถท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าขาพเจ้าอยอมรับว่า ข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถะปรมัทิตย์แต่ไม่ยอมรับว่าสภาวธรรมใดเป็นสัจจิกัตถะเป็นปรมัตย์ข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลนั้นได้โดยสัจจิกัตถะปรมัทิตย์นั้นคำนั้นของท่านผิดอนุโลมปัญจกะจบ 2. ปรวาที ท่านยังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกัตถะปรมาทิช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีสภาวะธรรมใดเป็นสัจจิกัตถะเป็นปรมัาทิท่านยังรู้บุคคลนั้นไม่ได้โดยสัจจิกัตถะปรมาทินั้นใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีท่านจมรับปฏิกรรมต่งต่อไปนี้ หากท่านยังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกัตถะปรมัตถ์ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสภาวธรรมใดเป็นสัจจิกัตถะเป็นปรมัตถะข้าพเจ้ายังรู้บุคคลนั้นไม่ได้โดยสัจจิกัตถะปรมัตถนั้นท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกัตถะปรมัตถแต่ไม่ยอมรับว่า สภาวะธรรมใดเป็นส <If> ัจจิกตะเป็นปรมัตถะข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลนั้นไม่ได้โดยสัจจิกตะปรมัตถนั้นคำนั้นของท่านผิดอนหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่าสภาวะธรรมใดเป็นสัจจิกตะเป็นปรมัตถะข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลนั้นไม่ได้โดยสัจจิกตะปรมัตถนั้นท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า ข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกัตถะ -paramat ท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกัตถะ -paramat แต่ไม่ยอมรับว่าสภาวธรรมใดเป็นสัจจิกัตถะเป็นปรมัต a t ข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลนั้นไม่ได้โดยสัจจิกัตถะ -paramat นั้น คำนั้นของท่านผิดปฏิกรรมมัจตุกะจบนจิกะมัจจุกะสประวาทีอนหนึ่งหากท่านประลึกได้ว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกัตถะประมัตถ์แต่ไม่ยอมรับว่าสภาวธรรมใดเป็นสัจจิกัตถะเป็นปรมัตถะ ข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลนั้นไม่ได้โดยสัจจิกัถะประมัตน์นั้นดังนั้นท่านเมื่อยอมรับด้วยปฏิญญานี้ในอนุรมปัญจกะนั้นก็ควรถูกลงนิหะอย่างนี้ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงลงนิหะท่านท่านจึงเป็นอันข้าพเจ้าลงนิหะชอบแล้วดังต่อไปนี้หากท่านยังรู้บุคคลไม่ได้ โดยสัจจิการธรปรมัติดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสภาวธรรมใดเป็นสัจจิการธรเป็นปรมฯฯัติธรรข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลนั้นไม่ได้โดยสัจจิการธรรมนั้นท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิการธรรมแต่ไม่ยอมรับว่า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 ข้าพเจ้ายังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกัตถปรมาทัตท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกัตถปรมาทัตแต่ไม่ยอมรับว่าสภาวะธรรมใดเป็นสัจจิกัตถเป็นปรมาทัตข้าพเจ้ายังรู้บุคคลนั้นไม่ได้โดยสัจจิกัตถปรมาทัตนั้นคำนั้นของท่านผิด นิกะหจ์จตุกะจบอุปนยยนะจตุกะสี่ปรวาทีหากนิกะหะนี้เป็นการนิกะหะโดยมิชอบในนิกะหะที่ท่านลงแก่ข้าพเจ้านั้นท่านก็จงเห็นว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนกันข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถะประมัทิตย์ แต่ไม่ยอมรับว่าสภาวธรรมใดเป็นสัจจิกตะเป็นปรมัตถะข้าพเจ้ายังรู้บุคคลนั้นได้โดยรับข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกตะปรมัตถะแต่ไม่ยอมรับว่าสภาวธรรมใดเป็นสัจจิกตะปรมัตถะข้าพเจ้ายอมรับว่า ข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัต m a แต่ไม่ยอมรับว่าสภาวธรรมใดเป็นสัจจิกัตถะเป็นปรมัต a t ข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลนั้นได้โดยสัจจิกัตถปรมัต m a นั้นและข้าพเจ้าเมื่อ ย, ยอมรับด้วยปฏิญญานี้ในอนุโลมปัญจกะนั้นท่านไม่ควรลงนิกหะอย่างนี้แต่ท่านก็ยังลงนิกห์ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงถูกท่านลงลิกะหะโดยมิชอบดังที่กล่าวมาว่าหากท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถะปรมัตถ์ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสภาวธรรมใดเป็นสัจจิกัตถะเป็นปรมัตถะข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลนั้นได้โดยสัจจิกัตถะปรมัตถนั้นท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่า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 ข้าพเจ้ายังรู้บุคคลนั้นได้โดยสัจจิจักถะปรมัตต์ น, น, นั้นท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิจักถะปรมัตต์ท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิจักถะปรมัตต์แต่ไม่ยอมรับว่า สภาวะธรรมใดเป็นสัจจิกถะเป็นปรมัตถะข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลนั้นได้โดยสัจจิกถะประมัตถนั้นคำนั้นของท่านผิดอุปนยณะจตุกะจบนิคมะจตุกะ 5. ปรวาทีท่านไม่ควรลงนิหะข้าพเจ้าอย่างนี้แต่ท่านก็ยังลงนิหะข้าพเจ้าด้วยนิหะว่า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 สภาวธรรมไรเป็นส anyway kind of. ัจจ hmm. ิกัคตเป็นปรมัตถะข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลนั้นได้โดยสัจจิกัคตปรมัตชนั้นคำนั้นของท่านผิดอหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่าสภาวธรรมไดเป็นสัจจิกัคตเป็นปรมัตถะข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลนั้นได้โดยสัจจิกัคตปรมัตชนั้นท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า ข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถะปรมาทัตท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถะปรมาทัตแต่ไม่ยอมรับว่าสภาวธรรมใดเป็นสัจจิกัตถะเป็นปรมาทัตข้าพเจ้ายังรู้บุคคลนั้นได้โดยสัจจิกัตถะปรมัตานั้นคำนั้นของท่านผิด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 ปัจจณีกับปัญจกะ6ปรวาทีท่านยังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกัตถะประมาทิช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีสภาวธรรมใดเป็นสัจจิกัตถะเป็นปรมาถิท่านยังรู้บุคคลนั้นไม่ได้โดยสัจจิกัตถะประมาทินั้นใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น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 ข้าพเจ้ายังรู้บุคคลนั้นไม่ได้โดยสัจจิกัตถะปรมัตน์นั้นท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกัตถะปรมัตน์ท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกัตถะปรมาทัศน์แต่ไม่ยอมรับว่าสภาวธรรมใดเป็นสัจจิกัตถะเป็นปรมาทัศน์ ข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลนั้นไม่ได้โดยสัจชิกัตถปรมัตต์นั้นคำนั้นของท่านผิดปัจจานิกะปัญจกะจบปฏิกกรรมมัจตุกะเจ็สกวาทีท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจชิกัตถปรมัตต์ใช่ไหมปรมัตต์ใช่สกวาที สภาวธรรมใดเป็นสัจจิกตะเป็นปรมัตถะท่านยังรู้บุคคลนั้นได้โดยสัจจิกตะประมัตถ์นั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีท่านจงรับปฏิกรรมดังต่อไปนี้หากท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกตะประมัตถ์ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสภาวธรรมใด เป็นสัจจคติเป็นปรมัตถ์ข้าพเจ้ายังรู้บุคคลนั้นได้โดยสัจจคติปรมัตถ์นั้นท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจคติปรมัตถ์แต่ไม่ยอมรับว่าสภาวธรรมใดเป็นสัจจคติเป็นปรมัตถ์ข้าพเจ้ายังรู้บุคคลนั้นได้โดยสัจจคติปรมัตถ์นั้น คำนั้นของท่านผิดอนหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่าสภาวธรรมใดเป็นสัจกคติเป็นปรมาถะข้าพเจ้ายัางรู้บุคคล น, นั้นได้โดยสัจจคติปรมัตถนั้นท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจคติปรมัตถท่านกล่าวคำขัดแยงด้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่า ข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถะ -paramat แต่ไม่ยอมรับว่าสภาวธรรมใดเป็นสัจจิกัตถะเป็นปรมั m a t ข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลนั้นได้โดยสัจจิกัตถะ p a r a m a t t ั้นคำนั้นของท่านผิดปฏิกกรร ม, มะจตุกะจบนิฆะจตุกะ8ปสกวาทีอ น, นึง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 ท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าขพเจ้ายอมรับว่าขพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกติปรมัตต์แต่ไม่ยอมรับว่าสภาวธรรมใดเป็นสัจจิกติเป็นปรมัตถะขพเจ้ายังรู้บุคคลนั้นได้โดยสัจจิกตปรมัตตนั้นคำนั้นของท่านผิดอันหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่าสภาวธรรมใด เสัจจคติเป็นปรมัตถะขปเจ้ายังรู้บุคคลนั้นได้โดยสัจจคติปรมัตถนั้นท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าขพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจคติปรมัตถท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าขพเจ้ายอมรับว่าขพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจคติปรมัตถแต่ไม่ยอมรับว่าสภาวธรรมใดเป็นสัจจคติเป็นปรมัตถ ข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลนั้นได้โดยสัจจิกัตถะประมัตินนั้นคำนั้นของท่านผิดนิกะชะตุกะจบอุปนักยนะจตุกะ 9. กสกวาทีหากนิกะนี้เป็นการนิกะโดยมิชอบในนิกะที่ท่านลงแก่ข้าพเจ้านั้นท่านก็จงเห็นว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกัตถะปรมัตถ์แต่ไม่ยอมรับว่าสภาวธรรมใดเป็นสัจจิกัตถะเป็นปรมัตถ์ข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลนั้นไม่ได้โดยสัจจิกัตถะปรมัตถนั้นและข้าพเจ้าเมื่อยอมรับด้วยปฏิญญานี้ในปัจจณีกปัญจกะนั้นท่านไม่ควรลงนิกะหะอย่างนี้ แต่ท่านก็ยังลงนิกะฆาข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงถูกท่านลงนิกะโดยมิชอบดังที่กล่าวมาว่าหากท่านยังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกัตถะปรมัตถ์ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสภาวะธรรมใดเป็นสัจจิกัตถะเป็นปรมัตถะข้าพเจ้ายังรู้บุคคล น, นั้นไม่ได้โดยสัจจิกัตถะปรมัตถนั้น ท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าขพเจ้ายอมรับว่าขพเจ้ายังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกัตถปรมัตน์แต่ไม่ยอมรับว่าสภาวธรรมใดเป็นสัจจิกัตถะเป็นปรมาทัศน์ขพเจ้ายังรู้บุคคลนั้นไม่ได <t we ak> ้โดยสัจจิก <ak> ัตถปรมัตน์นั้นคำนั้นของท่านผิดอหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่าสภาวธรรมใดเป็นสัจจิกัตถะเป็นปรมัศน์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 ข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลนั้นไม่ได้โดยสัจจิกัตถะประมัตน์นั้นคำนั้นของท่านผิดอุปนัยนาจตุกะจบนิคมะจตุกะสิบสกวาทีท่านไม่ควรลงนิกหะข้าพเจ้าอย่างนี้แต่ท่านก็ยังลงนิกหะข้าพเจ้าด้วยนิกหะว่า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 แต่ไม่ยอมรับว่าสภาวธรรมใดเป็นสัจจิกตะเป็นปรมัตถะข้าพเจ้ายังรู้บุคคลนั้นไม่ได้โดยสัจจิกตะปรมัาทนั้นคำนั้นของท่านผ mm. ิดอนหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่าสภาวธรรมใดเป็นสัจจิกตะเป็นปรมาถะข้าพเจ้ายังรู้บุคคลนั้นไม่ได้โดยสัจจิกตะปรมัาทนั้นท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า ข้าพเจ้ายัางรู้บุคบคลไม่ได้โดยสัจจิกัตถะปรมัทิตย์ท่านกล่าวคําขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกัตถะปรมัทิตย์แต่ไม่ยอมรับว่าสภาวธรรมใดเป็นสัจจิกัตถะเป็นปรมัทิตย์ข้าพเจ้ายังรู้บุคคลนั้นไม่ได้โดยสัจจิกัตถะปรมัทิตย์นั้นคํานั้นของท่านผิด ฉะนั้นนิกะที่ท่านกระทำแล้วเป็นการกระทำโดยมิชอบปฏิกรรมเป็นการกระทำโดยชอบแล้วการดาเนินกระบวนความเป็นการกระทำโดยชอบแล้วนิฆมัจจุ ก, กะจบนิกหะที่สองจบ 2. โอกาสสัจจิกัตถะว่าด้วยสภาวะที่แท้จริงกับโอกาส 1. อนุโลมปัจจณีกส11สกวาธีท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถะปรมัติใช่ไหมปรวาธีใช่สกวาธีท่านยังรู้บุคคลได้ในโอกาสทั้งปวงโดยสัจจิกัตถะปรมัติใช่ไหมปรวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธี ท่านจงรับนิกาดังต่อไปนี้หากท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิการธรรมะดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้ในโอกาสทั้งปวงโดยสัจจิการธรรมะท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิการธรรมะแต่ไม่ยอมรับว่า ข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้ในโอกาสทั้งปวงโดยสัจจิกัตถะ -paramat คำนั้นของท่านผิดอนหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้ในโอกาสทั้งปวงโดยสัจจิกัตถะ -paramat ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถะ -paramat ท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่า ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัคถาปรมัตน์แต่ไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้ในโอกาสทั้งปวงโดยสัจจิกัคถาปรมัตน์คำนั้นของท่านผิดนิกาที่สามจบ